น้อกต่อพักต่ายตัวลรกต่อมูสงลูกเจริญในทางเจริญโยมทุกคนในการเจริญสติก็มีประสบการณ์มีบทเรียนในตัวแม่เราแม่ได้พูดได้พบกันก็มีคำพูดโดยสาธยายธรรมในประสบการณ์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 จากอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายใจเราความหลงความสุขความทุกข์อะไรต่างๆเรามีสติเห็นที่ใดรู้ทีใดก็เป็นรอยแห่งสติจู่ทุกที่ทุกทางกับอาการต่างๆ ท, ที่เกิดขึ้นกับกายใจเราจนว่าไม่แต่ลอยแห่งความรู้สึกตัว ในวนโลกคือกายพวกศองยาวาหนาคืบจระพัดอย่างแล้วก็ไม่มีรอยอืนอ่นมากเท่ากับรอยสติเหมือนกับเราทำนาในนาของเราแปลงดานของเราสี่สิบห้าสบไร่นี่จะลอยเท้าของเราร้อยมือของเราหรือมือนสุกโตร้อยมืออาจจะเป็น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 เมื่อมีคมตายคุณมีความหมายตายไห ม, ไมเขาตอบไม่ได้เราจึงมาสอนเรื่องนี้ไวิเชาอวดบ้านกันแม่แต่สีรตะมีบ้านทั้งสามฤดูเป็นเจ้าฝ้าชายมีสนมกำดังในพระองค์ไม่เบียด น, นี้ไม่เกิดไม่แจกไปเ่เฉยแต่จึงเสาะหาเรื่องนี้กันเพื่อเราจะเอาอันอื่นมาต่อรอง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 เราต้องไปกลัวแบบนั้นนะว่าแต่รู้นี่เป็นฐานอย่างเดียวมันต้องมีฐานตีที่ตั้งไว้ให้เรารู้สึกตัวเลยรู้สึกตัววันอยู่ที่ไหนหรอไม่ต้องมาขอใครมันต้องมีการเวลาตอนเช้าตอนเย็นมีทุกโอกาสแล้วก็ไม่ต้องสร้างด้วยเราใช้เลยเราจึงใช้ควรู้สึกตัวให้มากมากไม่ต้องสร้าง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 เยงแต่รูเบาเบาควมดักเพิ่งมาลูมันก็เบาความยากเบื่อลูมก็ง่ายไม่ใช่ว่าความยากเป็นความยากความหนักเป็นควาหนักลูมันก็เบาเบาเบวันที่ปฏิบัติทำมันต้องเบาเบยิบแยบเฉยใสอยากนอนตาไปบอกไปพูดกับโยมแม่อกเออยิ่งยิ่งแบบนี้แหละนะ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 แต่ไม่ใช่โบแบบจะหอกเงินเดินฟ้าโบจะไม่มีตัวเปตนที่เห่าเขินหอเหินเดินฟ้าที่ไปรองรับความสุขความทุกข์ไม่มีที่วางเหล่าดั้นันเบาตรงนี้แล้วกระดันฐานยังมีเราได้ฐานแล้วไปไหนก็ไปเถิดไม่ใช่อยู่สุกโตไปไหนก็ไปไปไหนก็มีความรู้อยู่แล้ว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 มาเพ่งที่กดเราก็หัดตามันเหล่เลยเพ่งที่กดอ่ะแลตาตาเหล่ไปเกือนไปคืนมาแล้วก็นอนอยู่ใช่ไหมอา้าเราจะาสติเอาตานไปเพ่งที่กดกดมันไม่อยู่เองมันไหล <c oughs> มันไหลอ ย, อยู่เรนะื่อยเหรอแล้วก็เอียนเวยนไปพิ้งเวียนเอาเกย์มามวีนเกลืไหลไปตาเหล่ไปเลยไม่ไม่ใช่เลยตแบนบนี้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 สองค้งก็มีหมอนท่าหลังก็ไมีหมอนสองข้างมีหมอนถ้าไปกันหลับกันใช้เราก็เดินทั้กมเนี่ถ้าเขาไปนั่งหลับเน่ยเรานอนหลับจะไม่ดีกว่าเลยไม่ใช่แบบไปไม่นอนเลย่หลับแต่ว่าไม่มีสติกับการเดินไม่วิประโยชน์เลยไปมีความหลับกับการนั่งเอาความไม่นอนมาเป็นความถูกต้องไม่ใช่เคยฝึกมาเหมืนกันล้ว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 สะ บ, บุรีแล้วก็ไปเที่ยงถังจาําอะไรไปภาคเหนือไปสามเดือนลูกจิตที่ฝึกเก็บจีบลูกไปอยู่ที่ใดแบบไปนั่งงําตาไหลาอาบแล้วก็ไปดูพอไปดูแล้วตอนเย็นทำวัดตอนตอนเช้าทำวัดก็มาพูดของตาก็พูดออเราไม่ไม่อยากให้พวกเรานั่งน้าลายไหลาอาบปากสับประโงกคนมาดูเรา มันไม่น่าดูเลยถ้าจะหลับก็ต้องมีที่บังกลางมันยมรรมาทาบุญเขาบอกเราว่าพระใจจิงผ่านมาที่นี่เราก็ไม่อยากให้เป็นนั่งอาบากน้ำลายไหลรอตกุกพระเสน็จลูกจิตเราก็บอกอาจารย์โน่งก็ให้นั่งหลับตาเราบอกให้นั่งเลยตายยกเว้นใช่ว่าไมใ่ใช่ว่าก็รู้จึงตัวจะไปนั่งหลับเทมันไม่น่าดู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 นั่งหลับตาอยู่ได้เป็นเดือนเดือนไม่ต้องหลับแต่เมื่ก็มีพักผ่อนมันหลับตาเฝ้าคนป่วยดูคนป่วยมันก็มีมันก็ได้บระหังไม่ต้องไม่ต้องไปนั่งสปปะบักโกให้คนเห็น น, ะนั่งหลับตาเฉยๆดูคนป่วยพร้อมที่จะได้ยินคําล่องคําค้างการทบอกเอาลุกเอานอนไม่หยิน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 ทำไมจึงมีวิรัยขอ้อนี้เพราะคนจะบาเห็นพระนอนไม่ปิดประตูบางทีก็เละเรือนเรือนถ้าน่องพระห่มหลุดลยุยโก น, นอนคางอ้าปากไม่สํารวมมันเป็นที่เสื่อมศรัทธาของคนมาดูพระวิรัยจึงบอกให้ปิดประตูซะจะจะดอนนกฎก็ปิดไว้จะให้คนเห็นถ้ากฎมันมุ่งมันบากอาผ้าจีวรขุมใช่ไ้ยเอน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 ว่าอยู่ที่ขึ้นมาสมองค่อยลงมาลงมาหย่อนลงมาตามฐานต่างๆตามมาตั้งเหวงกจะดืสองนิ้วว้กรรมทำงานหลังทำงานหลังก็ได้ไม่ว่าอะไรใครจะลองก็ได้หรือหายใจเข้ายกพองหนอหายจอกยบหนอนลองดูเน้าทองก็ได้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 แต่ว่าเมื่อถ้าเหมือนกับพวกศาสนาพวกเคนเขาเขายืนไม่รูปผ้าเลยยืนเขาวันเกี่ยวตัวกัน่ยืนตายอยู่มาทำบนดักบากเขาเข้ามาเสายปากให้ใ เ, เอเอาน้ำเลยปากให้เจ้าไปนั่นหรือพวกเราเะกินเองไม่หรื อ, อ น, น่านก็เป็นศาสตรานะอย่าหลงนะมีเวลาเราไปอินเดียเนี่ย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 รู้ธรรมะไม่ใช่เรื่องนั้นเราก็มาเฉลอเราไปรู้ธรรมะพอไปเลยทำบุญกระถิ่นพอไม่เลยสร้างความบวชจะเป็นคนจนเราจึงไม่บรรลุธรรมมาเช็ดผมร่อยเกินไปก็เลยไปถามหลมวงพ่อผู้ปฏิบัติกับหลวงพ่อเลยไม่รู้เลยเลยมีไหมเขาเฉลอตัวอย่างคงเป็นผมนี่แหละหลวงพ่ออยางไม่รู้เลยเลยอาทิตย์กว่ากวาแล้ว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 เราปฏิญาณจะมีไ ม, ม่มีก็ว่าเป็นเลยเราจะเราปฏิียนสานยกมือจ้างว่าล้วก็นี่เสร็จแล้วยกปือจ้างว่าทําไปทำเทียบได้เลยมีไหมเพอเรามีกใใบับ ล, ลังใจกันมาเทียบไลยเลยอายุเท่าไหร่ก็ตามเทียบ ไ, ได้เลยใครก็รู้ได้ไม่ใช่คนดุ่มคนแก่ไม่ใช่นักบวชไม่ใช่ฆราวาสไม่ใช่คนเจ็บใค้ได้ป่วยเลยผมรู้จึงตัวทําได้ทุกคนนะมั่นใจ